อยอาติโยมทั้งหลายให้นั่งตามสบายนะคารบทังกายแล้วก็คารกมาแล้วตอนนี้ไปก็วางมือลงตามสบายดลยนั่งสมาธิเลย <c oughs> เออนั่งสมาธิ <c oughs> วันนี้การแสดงธรรมวันนี้จงประการตั้งใจอยู่ในความสงบทุกคนวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวราระสิ้สุดท้ายของเราแล้วนะ แล้วทนี้เรื่องแต่การเทศตันเนี่ยแรกก็ขอขอบคุณที่ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยที่ได้อุตส่าห์พยายามมาก็มีคุณอภคมเป็นหัวหน้ามาทุกปีเป็นหัวหน้าที่มาที่นำญาติพี่น้องมาชมในป่านี้แต่จุดประสงค์นั้นก็มีอยู่ว่าจะพยายามกันมาทำบุญ ทุกเวลาทุกครั้งมาก็มาทำบุญกันไม่เจ็บมาเล่นอาจจะมาเห็นประโยชน์นี้ทีว่ามาทำบุญกันมาเอาบุญกันม า, าบุญกันเป็นผู้ที่รู้จักบุญมาเอาบุญมันถึงได้บุญวันนี้ก็พากกันได้บุญแล้วตั้งใจมาคารวะพระเจ้าประสงค์ในป่าเป็นเหตุข้อ คุณระ ค, คุมกน่วยการศักดิเป็นประธานมาทุกครั้งเพื่อจะมาสมทบสร้างพระบูชุตในวัดน้องประภูงซึ่งเป็นพระพระบูชุตที่แปลกเขาแปลว่ามันนี้สวยไม่งามหรอกแต่ว่ามันแปลกเขาตัวเขาเองก็ไม่คือใครใครก็ไม่คือเขา อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดมาโดยวิธีอะไรก็ไม่รู้หรือมันจะเป็นเพราะเหตุการณ์อะไรต่างๆก็ไม่รู้พัดประโภคที่มีพระหมุง น, นอคอยอยู่เยอะเลยผสมประเสิกันข้ามาสร้างโบสถขึ้นแล้วก็แปรไปอย่างอื่นซนะอันนี้เป็นจุดสําคัญของพุทธศาสตร์สนาเป็นมูลฐานที่จะสร้างพระขึ้นในพระอุโบสถ ทุกคนคุณบุตรคุณธิดาเราทั้งหลายนั่นเนี่ยจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนานี้จะต้องอาศัยผู้โบสโรงอุโบสถที่ิวัติเสมาอันคนไทยเราทั้งหลายทั่วประเทศทั่วอาณาจักรไทยมีความรู้สึกว่าได้กระทำบุญ ได้สร้างโบสถ์นี้ตั้งแต่ดึกดำบรรมา ก, ออก็ใจดีอกดีใจนึกว่าได้บุญเพราะว่าเราทุกคนนับถือพุทธศาสนาอยู่แล้วก็เรียกว่าสร้างวัตถุส่วนหนึ่งไว้สมมุติเป็นวัตถุส่วนหนึ่งที่เป็นรลากฐานคุณบุตรคุณธิลาทั้งหลายอยากจะมาบวช อยากจะมาอุปสมบทตรงนี้ก็ง่ายสบายเป็นของสาธารณะประโยชน์ใครมีศรัทธามีความปรารถนาจะมาอุปสมบทในที่นี้ไม่มีเรื่องจะขัดขวางอะไรยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งบวชในวัดประโพงเนี้ยอาจจะมารีทำให้มันง่ายขึ้นให้มันง่ายขึ้น คือใครอยากจะสร้างคกองบวชก็ปัจจัยมาจบแล้วจบอีกแล้วก็ว่าข้าพระเจ้าขอจะสร้างกางบวชตอนนี้ก็เป็นคกองบวชแล้วส่วนที่จะบวชเป็นพระเป็นหน้าทีของพระอุปชาอาจจะมาอยากจะบวชอะไรก็ไดไม่ต้องแหไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายเลยง่าย น่ายที่สุดโดยมากอาจะมาบวชไม่ค่อยบอกใครด้วยสองทุ่มสามทุ่มก่อนมีมวลพระบวชเป็นเงียบเงียบอย่างนี้บวชที่มีความบริสุทธิ์ไอ้บวชมันไม่สำคัญคนสำคัญที่บวชมาแล้วดังนั้นให้เข้าใจทุกคนว่าชาวญาติโยมในพระนครหลวงมาวันนี้ ก็ดึงว่ามาสร้างวัตถุอันหนึ่งซึ่งเป็นรากฐานของพุทธศาสนานั้นได้บุญทำแล้วก็ได้บุญเมื่อจะมาก็มีบุญเมื่อมาถึงแล้วก็มีบุญเมื่อทำไปแล้วก็มีบุญคือใจสบายใจดีใจปลอดโปรง่งไม่สงสยัยพันนาถึงการให้ทานนี้มันได้บุญ เราเอาของให้คนสขขงเคราะห์คนช่วยคนทำแล้วก็ดีใจบุญที่เราเห็นง่ายง่ายถ้าเราไปขโมยของเขามานั่นได้บาปไม่สบายใจต่างกันเมื่อคิดจะทำก็เป็นบาปเมื่อทำอยู่ก็เป็นบาปเมื่อทำไปแล้วก็เป็นบาป ค, คือมันเดือดร้อนไม่สบายใจนั่นเอง เรียกว่าบาปอันนี้การกระทําบุญวันนี้เรียกว่าการกระทําบุญกันคนรู้จักบุญจึงทําบุญจึงได้บุญคนไม่รู้จักบาประบาปไม่ได้เนี่ยก็เลยความว่าพวกชาวนครหลวงนั่นเป็นผู้มีหูดีตาดีในสมัยนี้ เช้ไม้ก่อนตั้งแต่ออกปฏิบัติใหม่ๆกรรมฐานนี่อยู่ในปา่าตั้งแต่ท่านอาจารย์มั่นติโนนามาแล้วออไม่เคยมีใครกรรมฐานปา่าไม่รู้จักอยู่ในปา่าออถึงบัดนี้พวกชาวนครหลวงเราเข้าป่ากัน เ, ออเข้าป่ากันป่านี่ป่านี่ มันเป็นเหตุอันหนึ่งเช่นญาติโยมมาวัดป่าโพงวันนี้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินแปลกแลกตาเห็นไม้ใบไม้นี่ยมันเรียราดอยู่ในวัดตอนนะี้เห็นไหมในกรุงเทพมีหรือเปล่ากมไม่รู้นะเรามาเดินในปา่าจิตเจมันก็แปลก อยู่ในป่าเห็นสภาพต่างๆมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนั้นจิตเจ้าก็เปลี่ยนไปด้วยสถานที่ในป่านี้เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นอุบัติเกิดขึ้นมาเแลกัดรู้กันในป่าสแสดงธรรมจักเป็นไปก็ในป่านิพพานก็ในป่าออป่านี้เอออ่าเป็นสถานที่อัน พุทธบริษัทเราทั้งหลายสืบตามมาตั้งแต่ตั้งพุทธการมาแล้วบัด น, นี้ฉะนั้นวันนี้ขอโยมทุกๆคนจงให้มีความดีอกดีใจว่าเราได้มาทำบุญกันมันเป็นบุญโดยมากทุกวันนี้คนทำบุญไม่รู้จักบุญกัน ทำเพื่อความสนุกทำเพื่อความสนานหาว่ามันได้สนุกสนานไม่รื่นเริงบรรเทิงใจแล้วกริยว่าบุญอืนะบุญนี้ไม่ใช่อย่างนั้นบุญนี้เมื่อการกระทําที่ถูกต้องมันจึงเกิดบุญเกิดกุศลนีก็ดีที่ถูกต้องการกระทําก็ทําที่ถูกต้อง ดีที่ไม่ถูกต้องมันก็เป็นโทษไม่ใช่การกระทาบุญดีที่ไม่ถูกต้องมันเกิดโทษดีที่ถูกต้องเป็นดีที่ปราศจากโทษเป็นดีในพุทธศาสนานีฉแนั้นการกระทาบุญก็ได้บุญแล้วบัดนี้อาตมาจะอธิบายธรรมะให้ฟังต่อไป ให้สร้างกุศลบุญมันก็เป็นอย่างหนึ่งกุศลมันก็เป็นอย่างหนึ่งเรารวมเรียกกันว่าบุญกุศลบุญนี้มันมีความสงบในวงแคบบุญนี้มันมีความสงบในวงแคบมันมีประโยชน์อยู่ก็จริงแต่อยู่ในวงงินแคบรวยมากคนทำบุญก็มุ่นบุญ แค่นั้นแหละคือหาสิ่งที่ชอบใจหาสิ่งที่สบายใจแต่ความสบายใจนี้มันผิดแต่เราชอบอยู่แต่เราทําแล้วเราก็สบายใจอันนั้นมันก็ไม่ใช่บุญแล้วที่นั้นการรวมเรียกชื่อว่าบุญกุศลนี้ให้สาธุชนเราทั้งหลายเนี่ยนะให้ทําไปควดควดกันตายกุศลนั้นคือฉลาด บุญเกิดจากศรัทธาบุญเกิดจากศรัทธากุศลเกิดจากความฉลาดคือปัญญาเรียกว่าบุญกุศลทั้งเราหาความฉลาดทั้งเรามีบุญอืคนไม่รู้จกบุญทำบุญก็พบแต่บาปคนไม่รู้จกบาป ก็เห็นบาปนั่นเป็นบุญคนไม่รู้จะผิดก็เห็นผิดนั่นเป็นถูกมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นทุกๆคนจะทำบุญถึงบุญจรีงๆ น, น, น้อยเดอยเดือเอาไปทิ้องอย่างอื่นเสียมากทิ่งที่เป็นบุญนนนิดเดียวเออก็ไม่รู้จักด้วยแต่เอาชื่อของบุญนั่นไปน ไม่ไปว่าเป็นบุญอันนี้มันก็ลำบากอยู่เหมือนกันเนี่ยเราเป็นพุทธบริษัททั้งครือขัดในบันปราชิตเป็นผู้มีศรัทธาน้อมความเชื่อความเข้าใจในพุทธศาสนาอันนี้ยงเป็นผู้ฉลาดในการกระทํา เมื่อเป็นคนฉลาดรู้จะกผิดจากถูกนี่แหละมันมีความสงบอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวบุญคือความสุขผู้สนคือความฉลาดถ้าเราทุกๆคนจะประกอบจิตการงานอันใดก็าตามถ้าปราศจากปัญญาแล้วการงา น, นนั้นไม่สำเร็จประโยชน์ หรือสังเวชก็ไมสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะปราศจากปัญญาการกระทำบุญนี้ภูมิปัญฉั น, นั้นเป็นผู้มีศรัทธาแล้วศรัทธานั้นต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าศรัทธาไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็เป็นศรัทธาอธิมรเป็นศรัทธาที่ปราศจากปัญญาเป็นศรัทธาที่มาอยู่ในขอบเขตของพุทธศาสนา โดยมากเป็นอย่างนั้นเมื่อปัญญาเปิดเป็นบุญบุญเป็นเหตุในเกิดกุศลมีความฉลาดในการกระทำรับรองในการพูดในการกระทำในการคิดของเจ้าของให้รู้จักหลังนั้นวัน น, น, น, นี้เป็นวันที่พวกญาติโยมทั้งหลายชาวพระหร์ตอมาทาบุญกันมุ่งมาทาบุญกัน มุ่งมาสร้างผุศสนคืนในจิตใจของเจ้าของทำไมเราจึงทำบุญกันทำไมท่านจึงให้ทำบุญทำไมท่านจึงให้มีความฉลาดเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นน่ะซึ่งเราประกาศเป็นมาในบ้านของเราในเมืองของเราสิ่งที่เราเกิดมานี้มันเป็นบีบาก กรรมเก่าที่เราสร้างไว้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พระมานี้มันเป็นมีบาาคือกรรมเก่าเช่นพวกเราทุกๆคนนั่นน่ะเราจะเห็นกันในง่ายๆทาไมไม่เหมือนกันทำไมไมีความสุขทุกไปเหมือนกันพระอะไรนี่เราจะสังเกตได้ไง่ายๆแล้วก็มีคนเป็นคนเหมือนกันมีตามอนกันมีหูเหมือนกัน มีสสารร่างกายเหมือนกันทําไมมีความสุขต่างกันมีความทุกข์ต่างกันมีเพราะอะไรใครเป็นคนทําใครเป็นคนแต่เนี่ยเราจะเห็นได้ง่ายๆเท่านี้ละ่ะเจะไปดูที่อื่นก็ไม่เห็นด้วยดูที่ตัวเราของเรานี่ยดูที่จิตใจของเจราเนี่ยมันจะเห็นฉะนั้นบางประราร ท่านเคยกล่าวว่าเ อ, อ่อสวรรค์อยู่ในอกนรกในใจนี้ถ้าฟังเผลอๆเด็กก็ไม่รู้เรื่องถ้าหากว่าเรามาพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแล้วอะ่ะญาติโยมเราทุกคนเคยมีความสุขไหมเราเคยมีความทุกข์ไหม เคยมีทุกข์คนอาตมาตาก่อนเลยว่าเคยทุกเคยสุขมาแล้วมันสุขอยู่ที่ตรงไหนเห็นที่มันอยู่ไหมใครเป็นคนสุขเราเคยมีความทุกไหม้นมันทุกอยู่ที่ไหนใครเป็นคนทุกน่ะสองอย่างนี้เกิดที่ไหนมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ต้นไม้เดียอยู่ที่ยอดไม้อยู่ที่อากาศเด้อ อยู่ในแม่น้ำเลยมันทุกข์ที่แม่น้ำหรือหรือต้นไม้หรืออยู่ที่อากาศปล่าวทั้งนั้นแหละมันสุกขึ้นที่ใจเรานี้เองเมื่อทุกข์มันก็ทุกข์ขึ้นที่ใจเรานี้เองมันไม่ได้เกิดอยู่ที่ไหนดังนั้นโบราณอาจารย์ท่านกล่าวว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนี้ถูกแล้วไม่ใช่พูดเล่นๆนะ คำที่ว่าสวรรคนั้นนี่เป็นภาษาคําพูดก้อนตนคำที่ว่าสวรรค์ น, นี่คือความสุขฟักขะคืออารมณ์อันเลิศอารมณ์ที่พอใจใน ม, มีความสุขเมื่ออารมณ์ที่พอใจที่มีความสุขนี่ก็ยังไม่แน่นอนนะยังไม่เป็นธรรมะ ถ้าไม่มีความฉลาดแล้วมันก็ไปยึดเอาของผิดแตะนำมาให้เป็นถูกเลยของเป็นโทษถือว่าเขาสนุกสุขสบายอย่างนี้เป็นโทษ อ, อันนี้เรียกว่ามันมีความสุขสุขจริงแต่ไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาตามธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราสุขเพราะมันพอใจเรา สุขมันได้ตามปราถนาของเราเท่านี้เองอันนี้ไม่เป็นประมาณเป็นประมาณในหลักพุทธศาสนาว่าสุขนั้นถูกต้องไหมมันมีความสบายมันถูกต้องไหมมันมีความดีเนี่ยมันถูกต้องไหมเบียดตนไหมเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนคนอื่นไหมถ้าเราพูดตามหลักปรมาติแล้วเราจะรู้จักว่า เราจะเห็นตัวบุญเราจะเห็นตัวบาปอยู่ที่ใจของเราถ้ามันเกิดทีนั้นมิตะนั้นพระพุทธเจ้าตอนไห้ฝึกจิตฝึกจิตที่มันหลงนี่ไห้มันรู้จักเออไอ้ทุกวันนี่นามาคนนะไม่รู้จักนรกมันตกนรกหมกไหมอยู่ประทังวันประทังคืนคือความทุกข์นก่ไม่รู้เรื่องว่ามันตกนรก นรกก็คือสถานที่มันเป็นทุกข์เมื่อคนไปทำแล้วมันเป็นทุกข์สัตว์นรกก็คือคนผู้ทุกข์คือบุคคลที่ไปทำผิดนั่นแหละสถานที่ทำผิดนั่นก็คือนรกผู้ไปตกนรกก็คือคนที่ไปทำผิดแต่ก็ทุกข์อันนั้นทาน่าว่าตกนรกจังเป็นแต่เราก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์เฉย เมื่อพูดถึงนรกรก็ชี้ลงไปพื้นปฐพีนู่นเลยเมื่อพูดไปถึงสวรรค์ชี้ขึ้นบนอากาศนู่ น, นยไม่รู้จักว่าใจของเรามันเป็นสุขไม่รู้จักว่าใจเรามันเป็นทุกข์ราที่ท่านกล่าววนะ่าท่นมีปัญญามากทีเดียวว่าสบันในอกนรกในใจนี้พวกเราทั้งหลายนั้นควรมาแต่ง ใ, ใจ แต่งใจของเราเนี่ยรักษาจิตของเราเนี่ยจิตของเราเนี okay. level, Lynch, değil, ่ยมันเหมือนเด็กเด็กเด็กน้อยไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษาอะไรจะปลอยไปเล่นมันไปพบใไรมันก็จะคุกใครไปพบอะไรมันก็จะคุกมานั้นแหละอย่างนั้นคูมันกันจิตที่ไม่ได้ฝึกก็เป็นอย่างนั้นจิตที่ไม่ได้ฝึกก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเด็กที่ไม่รู้เรียนภาษา ในรู้เรื่องอะไรอืมไปพบน้ําก็จะุบน้ําไปพบไฟก็จะุบไฟนี่เมื่อก็เกิดโทษอยู่เรื่อยไม่มีจารขาดเลยทีเดียวนยิดอันนั้นจิตไม่ได้ฝึกจะเอาใครมาฝึกมันเลา่าเหมือนเด็กในบ้านเราเหมือนกระรูปเราน่ะเด็กจะจะเอาใครมารักษ า, า, ามันเล่าแล้วก็ต่อถามไอเด็กนั้นมันเกิดมาจากไหนรูปของใคร ถามมันไปว่า ล, ลูกใครลูกใครพ่อแม่มันอยู่ที่ไหนก็พ่อแม่มันนตต่อตามดูลูกพ่อแม่ก็ต้องรักษารูปใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ก็ต้องรักษาเด็กคนนี้อันนี้ก็มอนกันฉันนั้นพ่อแม่นั่นคือผู้รู้ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าพิสูจทั้งหลายท่านทั้งหลาย จงมาตามรักษาจิตของตนผู้รายตามรักษาจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากดวงขอมานใครตามรักษาจิตก็ให้เรารู้จักผู้รู้ทั้งหลายจิตของเรานี้เป็นจังไงภาวนาพุทโธพุทโธนี้เป็นตน้นผ่้เรียกจิตเราเขมาให้ดูลมหายใจให้เป็นอารมณ์อันเดียว เมื่อเรามีสติจดจอ่ออยู่ที่อันเดียวเราก็เห็นจิตเราเสมอ ถ, ถ้าเราไม่ลืมพุโทโธมันก็เห็นจิตเรวตลอดการตลอดเวลานี่แต่วิธีฝึกจิตอืมาะนันจิตที่ไม่ฝึกนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็ยังไม่เป็นคมนถึงเป็นคนก็เป็นคนที่ไม่รู้เป็นคนที่ไม่สมบูรณ ถึงเป็นพุทธบริษัทแสดงตัวเป็นพุทธบริษัทก็ยังไม่เป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์ฉะนั้นเรื่องที่สุดนั้นพระพุทธเจ้าของเราต้องจะเหยฝึ ก, กจิตจิตอันนี้มันอยู่ที่ไหนนิจิตนี้มันคืออะไรอกิตที่มันคืออะไรเชื่อว่ามันไม่มีหรือมันก็มีอยู่แต่เราไม่เห็นด้วยตาของเรา มันมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ตลอดการตลอดเวลานี้นี้เป็นของมีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของมันอยู่อย่างนี้ที่นั่นเราทุกคนมีกายเราก็มีวาจาเราก็มีใจพร้อมทั้งสามประการนี้แม้จะเดินไปที่ไหนก็ต่างกันไปจะนั่งอยู่ที่ไหนก็ไปด้วยกันทั้งนั้นนะ่ะนั่งด้วยกันนอนด้วยกันไปด้วยกันทั้งนั้นนะ่ะ สามประการนี้กายวาจาจิตนี้ฉะนั้นเมื่อเราอยากจะประพฤติปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าของเรานั้นจะปฏิบัติที่ไห น, นปฏิบัติที่ตรงไหนทำที่ตรงไหนเล่าว่าตัวในเรานี่ตัวเรานี่มันมีอะไรมึงมีไหมอะไรบ้างมันมีไหม มันมาทำชั่วหรือทำผิดเป็นสุขเป็นทุกข์นั่นใครทำมันเกิดมาจากไหนใครเป็นคนรับมาผลที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรมีกายมีวาจาใจสามสถานนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติเป็นสถานที่ฝึกจิตของเจ้าของให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงถ้ามีความรู้ตามเป็นจริงเดยกายวาจาจิต ของเรานี่แล้วไอ้ความตั้งทานอารมณ์ต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นมาภายในจิตกุลีจอนมาก็ดีเราก็รู้เรื่องของอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นตามที่จริงโดยมากคนเราไม่ค่อยดูตัวของตัวไม่ค่อยดูตัวของตัวไม่ค่อยสังวรไม่ค่อยสังรวมกายวาจาใจของเจ้าของนี้ การประพฤติปฏิบัตินี้มันจึงเป็นหมันมันจึงเกิดขึ้นไม่ได้มันจึงไม่เป็นคนโดยสมบูรณ์เพราะมันมีการบก็อกล่องคุณสมบัติของมนุษย์ทั้งหลายนั้นก็อยู่ที่กายมาจาจิตของเจ้าของนี่เองที่พวกเราทั้งหลายนั้นได้สมทานทารใบๆซื่นศีลห้าประการหรือศีลแปดประการ น, นี้ แล้วผลที่สุดท่านก็บอกอ น, นิสงฆ์ให้ว่าสีเรณสุขติัญจันติสีเรณโพคสปทาสีเรณมีภูติงญจันติสัตตมาสีรัง ม, มิโสเตยทุกครั้งเมื่อสมทานสินจะบอกเลยบอกอ น, นิสงฆ์ของสิงเนเรื่อยๆสินนั้นแหละมีความสุขสินนั่นคือมันพ้นจากความผิดไม่พูดผิดไม่ทําผิด คนไม่มีความผิดมันก็เย็นใจเย็นกายเย็นใจจะนั่งก็เป็นสุขจะนอนก็เป็นสุขจะไปที่ไหนมันก็เป็นสุขท่านจึงเรียกว่าสีเรนสุขกติงยันติมันเป็นสุขเพราะจิตนี้มันปราศจากโทษจิตไม่มีโทษไม่เดือดร้ อ, อนมันก็เป็นสุข สีเรณะโพคชัมปาทาบุคคลผู้มีศีลเป็นโพคะโพคะภายนอกก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หามาเรียนชีพเป็นสมาชีวะสมาชีวะหามาในทางสมาชีวะแม้ถึงน้อยมันก็มากมันมากเพราะว่ามันมีคุณค่ามันเป็นสมาชีวะ ทันจึงจัดเป็นโพคะสัมปทาถึงพราะในโพคะอย่างเพชรินกินดาของเรานั้นเนี่ยก้อนนิดเดียวก็มีราคามากเพราะมันปราศจากสิ่งที่ไม่มีราคาไอ้สิ่งทั้งหลายที่เรานำมาเรียกชีวิตของเรานั้นมันปราศจากสิ่งที่เป็นโทษแล้วมันก็เป็นราคาเป็นโพคะ เนื้อโฟข้าภายในมันก็ยังเป็นสมบัติด้วยอยากผูสมบัติโสดสมบัติคานสมบัติชิวหาสมบัติแต่ถ้าอย่างนี้มันก็เป็นสมบัติทางนั้นเป็นสมบัติที่สมบูรณ์ไม่พิการร่างกายไม่พิการตาไม่พิการหูไม่พิการจมูกไม่พิการทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว นั่นนี่ยโภคสัมปชาถึงพร้อมหรือโภคะอันนั้นทีเลียนีน้พูตจิงยันติเมื่อเรามีความสุขเมื่อเรามีโภคะความเยือกเย็นก็เกิดขึ้นมาในทีนั้นเราจะพุดปฏิบัติธรรมะจะไปปรนิพพานมันก็เป็นรลากฐานที่มั่นคงเป็นหลากฐานที่ดี อันนี้เป็นอ น, นิสงส์เป็นสมบัติเป็นคุณสมบัติของมนุษย์พู้ง่ายๆเรียก ว, ว่าผู้มีศีลห้าประจำตัวอยู่แล้วให้เข้าใจเถิดว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นมีคุณสมบัติมนุษย์สมบูรณ์แล้วถ้าหากว่ายังไม่มีศีลห้าประจำตัวประจาใจของเจ้าของแล้วนั้นนะก็อาจเข้าใจเถิดว่าคุณสมบัติของมนุษย์ไม่สมบูรณ์ ยังไม่สมบูรณ์ที่จะเป็นมนุษย์อันนี้เข้าใจง่ายๆเลยทีเดียวเข้าใจง่ายมิจินั้สิ่งตั้งสามอย่างนี้มันจึงเป็นในสู์ของผู้ที่รักษาศีลผู้ที่พร้อมด้วยกายแล้วก็ดีพร้อมด้วยวาจาก็ดีพร้อมด้วยใจก็ดีเตรียมตัวได้แล้วจะไปพณนิพานก็ได้มีโอกาสแล้วหูแลยยินแล้วตาเห็นได้จะมูกก็ใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง พร้อมแล้วจะไปได้ดังนั้นพวกเราเราท่านทั้งหลายในวันนี้ก็เป็นผู้มาประพฤติปฏิบัติสร้างกุศลผลทานอันนี้เพื่อให้สมบูรณ์ที่จําเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติสมบัติของมนุษย์ใจก็เป็นสมบัติของมนุษย์ากายก็เป็นสมบัติของมนุษย์ตาหูจมูกลิ้นก็เป็นสมบัติของมนุษย์พร้อมกันไม่ใช่ว่ากาย เป็นสมบัติเหมือนมนุษย์ใจเป็นอย่างหนึ่งกายเป็นอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันไม่สามัคคีกันไม่สมบูรณ์ถึงเป็นจะเป็นมนุษย์ได้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี้มันจึงเนื่องอยู่ในจิตของเจ้าของนี่ทั้งหมดนั่นเองเนี่ยเป็นต้นอย่างวันนี้ได้กระทําบุญครบให้ทานเป็นทานนามัยก็มีศีนนามัยก็มี ภาวนาไมคก็มีทั้งสามประการนี้เพร้อมฉะนั้นในส่วนกายส่วนวาจาในตัวของเรานี้ของดีมีอยู่ในนี้อย่าไปมองที่อื่นเลยอยู่ในที่นี้เองที่กายกับจิตของเรานี้ฉะนั้นหลักการประพฤติปฏิบัตินี้ท่านยังไงมีการปฏิบัติทำไมต้นงปฏิบัติก็เพราะว่าเราเกิดมานั้นนะ ไม่มีอะไรมามากเห็นไหมเกิดมาไม่เคมีอะไรมามีร่างกายตัวนี่เรามาบุญบาปมันอยู่ที่ไหนกระพายมาไหมไม่เห็นไม่เห็นผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีที่ไหนก็ดีเกิดมามีร่างกายเท่านั้นแหละกางเกงก็ไม่เคยมีเสื้อก็ไม่เคยมีผ้าห่มก็ไม่เคยมี มาจตะร่างกายเสนอเปลือยกายมาสแสดงว่าของในโลกอันนี้เราจะเก็บไปสู่โลกหน้าด้วยมือของเรามีได้ฉะนั้นเด็กๆมาเกิดมันถึงไม่ได้ถืออะไรมาแต่ว่ามันรวมไว้มันรวมไว้ที่อื่นมันรวมไปที่จิตอย่ายกตัวอย่างในเห็นว่าเม็ประม่วง เมณ็ดตำใหญ่นะเนี่ยเป็นต้นถ้ามันเป็นมเมล็ดอยู่นะเราจะพิญ า, ยารดูหาต้นมันไม่มีดอกบันก็ไม่มีเมลิดมม่วงมันก็เป็นสิ่งที่ละเอียดอันหนึ่งเท่านั้นแหละอยู่ในนั้นเนี่ยอันนี้มันการแข็งใดถึงแม้วาบุคพลไม่ได้ถืออะไรมากระ า, ามไม่ได้แบกถามอะไรมากระ า, าม เมื่อธรรมธาตุมันแก่กล้าึ้นมาแล้วนะ่อมันเป็นมันเป็นของมันมันจะมีปัญญามันก็เป็นของมันมันจะไม่มีปัญญามันก็เป็นของมันมันจะเป็นคนจนมันก็เป็นของมันมันจะเป็นคนรวยมันก็เป็นของมันเพราะว่าอันนั้นมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่มันมีอยู่เหมือนเม็ดระม่วงอหลร ตดมะม่วงก็อยู่ในเม็ดมะม่วงใบมะม่วงก็อยู่ในเมล็ดมะม่วงกินมะม่วงก็อยู่ในเมล็ดมะม่วงแต่ยังไม่สแสดงออกมาเราไม่มีไม่รู้มันไม่รู้จักไม่รู้จักเมื่อหากว่าเราเอาไปเพาะลงในดินได้กินอาหารตามธรรมชาติของเมล็ดผลต้นไม้มันจะเกิดเป็นลำต้นขึ้นมา มันจะเกิดเป็นใบเกินมามันจะโตเกินมามันจะเป็นเหมือนต้นมะม่วงธรรมดาของเราดีอันนี้โก็เหมืกนกแนฉันั้นฉะนั้นพระพุทธองค์จันจังสอนว่าการกระทากรรมนี้แหละกรรมนี้เป็นผู้แจกหรือเป็นผู้แบ่งให้ดีชั่วต่างๆกันไม่มีอะไรแล้วคือการกระทำของเรานี้มิจึงนั่นเห็นเรือกสิงทั้งหลายเรานี้เป็นของเปลี่ยนไม่คงเส้นคงวา เสียบเปล่าแล้วก็เราต้จากมันไปถ้าเราไปจากมันไปมันก็จากเราไปเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่ยั่งยืนมิฉะนั้นพระพุทธเจ้าสันิจึงไม่ให้หลงเมื่อจนก็อย่าลืมจนเมื่อรวยก็อย่าลืมรวยทางรวยทั้งจนนี่แหละเราจะหนีจากมันทั้งนั้นแหละหาไปมากเราก็ทิ้งไปมากหาไว้น้อยเราก็ทิ้งไปน้อยนี่ครังนั้นเราจึงเก็บ เอาสินทั้งหลายเรานี้มาสร้างประโยชน์ให้อยู่ในเจตนาของเจ้าของในดวงวิญญาณของเรานี้เมื่อติดในดวงวิญญาณของเรานี้ถึงแม้ว่ามันจะเพลยกายมาเกิดก็ตามทีมันเดิมมันก็จะมีเหตุมันยังมีพัจไจอยู่นะมันมีอยู่อันนี้จะเรียกว่ากรรมวิบากมันยังมีอยู่ฉะนั้นการกระทำบุญการกระทำกุศลของเรานี้เราจะมองเห็นบุญในง่าย เห็นกุศลได้ง่ายๆทำชั่วเห็นบาปได้ง่ายๆอืมทำบุญในบุญทำบาปด้บาปบางคนอะทำบุญเนี่ยได้เงินมาไมันจึงดีบุญไม่ได้เงินไม่ได้บุญหรอกอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความไปริงการกระทำบุญมันเจตนาที่ทำเมื่อไรเมื่อนึกขึ้นมามันดีแล้วมันเป็นบุญแล้วออต้นก็เป็นบุญเมื่อการกระทำอยู่ก็เป็นบุญทำเสร็จแล้วมันก็เป็นบุญมิฉะนั้นพวก ญาติโยมเราทั้งหลายวันนี้ให้จงเป็นผู้รู้จักบุญจงเป็นผู้รู้จักบาปทําบาปก็ให้รู้จักว่าเป็นบาปทําบุญก็รู้จักว่าบุญอันนั้นคือมีอกุศลมีกุศลแล้วจึงฉลาดเช่นนั้นกุศโลผู้ฉลาดไอความฉลาดนั่นเองเป็นต้นจะทํากิจการอะไรเป็นต้นก็เรียบร้อยเพราะความฉลาดฉะนั้นจึงเป็นการกระทําบุญเพราะเรื่องทั้งหลายเหล่านี้นะ่ะ พระพุทธเจ้าเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่เนโนนส่วนรึกก็จริงแต่ท่านพูดง่ายๆท่านเรียกว่าร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ตัวของเราหรือสิ่งของอันนี้ไม่ใช่ของเราตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวของเราอย่างนี้พูดเช่นนี้ก็เป็นความจริงมันเป็นความจริง สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสักว่ามีดินน้ำไฟลมแต่นั้นแหละอย่าไปไหวใจมันเลยเมื่อจะเป็นเมื่อไรมก็เป็นได้หูเราดีอยู่นี่มันจะหวัวเมื่อไหรก็ได้ตาเราดีอยู่มันจะบอดเมื่อไรก็ได้เอาไว้เฉาะร่างกายเราแข็งแรงอยู่มันจะเกิดโรคเกิดภัยใครเก็บมาเมื่อไรก็ได้มิฉะนั้นไม่น่าไหวใจมันเลยพวกเราอืมใครมีอะไรก็สร้างจะสร้างคุณงามความดีสร้างแต่เมื่อมีชีวิตอยู่นี้แหละมันดีมากที่สุดเลยดีเดียว บางคนก็คิดว่าตายสร้างบุญตายจึงทำบุญกันให้ลูกหลานทำบุญสร้างเมื่อตายนะเป็นต้นเมื่อมีชีวิตอยู่ไม่รู้จักบุญน่ไม่รู้จักกุศลไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกคนไม่รู้จักคุณมันจะเอาบุญได้ยังไงคนไม่รู้จักบาปนั้นจะละบาปเปไ็นไงได้เช่นนี้เป็นตน้นคนรู้จักกุนเอาบุญได้คนรู้จักบาปละบาปไปได้ อันนี้เรียกว่าผู้ศรธรทำเกิดขึ้นมาแล้วเกิดความเจริญขึ้นแล้วฉะนั้นบรรดาพวกญาติโยมเราทั้งหลายมาวันนี้ก็จงเป็นผู้ตั้ง อ, อกตั้งใจได้กระทําบุญแล้ยวในวันนี้ให้เป็นผู้มีบุญเดินไปก็ให้เป็นผู้มีบุญนั่งอยู่ก็เป็นผู้มีบุญนอนอยู่ก็ให้เป็นผู้มีบุญเพื่อใหมีความสุขกายสบายใจให้รู้ตามความเป็นจริงของมันเสีย กิงทั้งสองอย่างนี้ก็มีกายมีใจสองอย่างเหล่านี้หลยไม่มีอื่นใดแล้วทุกคนก็เอามาด้วยกลับไปกรุงเทพก็เอากลับไปด้วยมันอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยมีของดีทั้งนั้นอยู่ที่กายที่ใจของเหล่านี้อย่าไปมัวหาที่อื่นเลยที่คำสอนที่พระพุทธเจ้าตันสอนไ ว, นว้มันถูกแล้วมันถูกแล้วมิฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีปัญญามากระทาการโภศนณวันนี้จงเป็นผู้มีวาสนาบารมีมในการกระทำขอพวกท่านทั้งหลายด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยอำนาจของการกระทำนี้ด้วยอานาจ ของคุณประสีรัตนไตรซึ่งอุตส่าห์พยายามมาถึงวัดหองประพงนี้เดีย๋ยววาระสิสุดก็เลยฟังคำตอ น, นี้ไปก็ได้จากวัดประพงไปขอบุญผู้สนอันนี้บารมีอันนี้จึงคุ้มครองของท่านตั้งหลายทุกๆ ท, ท่านจงเป็นผู้ไม่มีภัยไม่มีอันตรายในการเดินทางกลับไปกลับมา ด้วยอำนาจของคุณประสีรัาตานใจนี้จนปุก ป, ปักรักษาพวกท่านทั้งหลายนี้จงมีความสุขจงมีความสบายจงเป็นผู้มีความรุ่งเรืองหาวรในกิจการของพวกท่านทั้งหลายทุกๆท่านเืิน